ผู้มือชีวิตหมวดที่เจ็ความสุขห้าขั้นสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ออประยุทธ์โอจดทาโดยสุนีธนกรรมทรและเข็มทองโพคาพานิชคนที่อยู่ในโลกด้วยความรู้เข้าใจโลกและชีวิตตามเป็นจริงจิตเจนจ ก, กกับโลกและชีวิตวางจิตลงตัวพอดีทุกอย่างเข้าที่อยู่ตัวสนิทอย่างนี้ ท่านเรียกว่าเป็นจิตอุเบกขาคนที่จิตลงตัวถึงขั้นนี้จะมีความสุขอยู่ประจําตัวตลอดเวลาเป็นสุขเต็มอิ่มอยู่ข้างในไม่ต้องหาจากข้างนอกและเป็นผู้มีชีวิตที่พร้อมที่จะทำเพื่อผู้อื่นได้เต็มที่เพราะไม่ต้องห่วงกังวลถึงความสุขของตนและไม่มีอะไรที่จะต้องทำเพื่อตัวเองอีกต่อไป เรื่องความสุขห้าขั้นปึกตนยิ่งขึ้นไปดำเนินชีวิตให้ถูกความสุขยิ่งเพิ่มพูนเมื่อทำตัวเป็นพระพรมได้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็มาทำชีวิตให้เข้าถึงความสุขในที่นี้ขอพูดคร่าวๆถึงความสุขห้าขั้น ขอพูดอย่างย่อในเวลาที่เหลืออันจำกัดดังนี้ขั้นที่หนึ่งคือความสุขจากการเสกวัตถุหรือสิ่งบำรุงบำเรอภายนอกที่นํามาปลนเบลอตาหูจมูกลิ้นกายของเราข้อ น, นี้เป็นความสุขสามัญที่ทุกคนในโลกปรารถนากันมากความสุขประเภทนี้ขึ้นต่อสิ่งภายนอกเพราะว่าเป็นวัตถุหรือเป็นอามิตรภายนอก เมื่อเป็นสิ่งภายนอกอยู่นอกตัวก็ต้องหาต้องเอาเพราะฉะนั้นสภาพจิตของคนที่หาความสุขประเภทนี้จึงเต็มไปด้วยความคิดที่จะได้จะเอาแล้วก็ต้องหาและดิ้รนรนทยานไปเมื่อได้มากก็มีความสุขมากแล้วก็เพลิดเพลินไปกับความสุขเหล่านั้นพอได้มากๆเข้าต่อมาก็นึกว่าตัวเองเก่งมากไปไปมาๆโดยไม่รู้ตัว ก็มีภาวะอย่างหนึ่งเกิดขึ้นคือชีวิตและความสุขของตัวเองต้องไปขึ้นกับวัตถุเหล่านั้นอยู่ลำพังง่ายๆอย่างเก่าไม่สุขเสียแล้วตอนที่เกิดมาใหม่ๆเนี่ยไม่ต้องมีอะไรมากก็พอจะมีความสุขได้ต่อมามีวัตถุมากเศษมากทีนี้ขาดวัตถุเหล่านั้นไม่ได้เสียแล้วกลายเป็นว่าสูญเสียอิสรภาพชีวิตและความสุขต้องไปขึ้นกับวัตถุภายนอก แต่เข้าใจผิดคิดว่าตัวเองเก่งอันนี้เป็นข้อสำคัญที่คนเราหลงลืมไปทางธรรมะจึงเตือนไว้เสมอว่าเราอย่าสูญเสียอิสรภาพนี้ไปพร้อมทั้งอย่าสูญเสียความสามารถที่จะเป็นสุขสิ่งที่คนเราจะพัฒนากันมากก็คือการพัฒนาความสามารถที่จะหาสิ่งเสรมาบาเรอความสุขแม้แต่การศึกษา ทำไปทำมาก็ไม่รู้ตัวว่ากลายเป็นการพัฒนาความสามารถที่จะหาสิ่งเสพบำเรอความสุขแต่อีกด้านหนึ่งของชีวิตที่ลืมไปคือการพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขถ้าเราไม่พัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขหรือแม้แต่ไม่รักษามันไว้เราก็สูญเสียความสามารถที่จะมีความสุข อาการของคนที่สูญเสียความสามารถที่จะมีความสุขก็คือยิ่งอยู่ในโลกนานไปก็ยิ่งกลายเป็นคนที่สุขยากขึ้นคนจำนวนมากสมัยนี้มีลักษณะอย่างนี้คืออยู่ในโลกนานไปเติบโตขึ้นกลายเป็นคนที่สุขได้ยากขึ้นต่างจากคนที่รักษาดุลยภาพของชีวิตไว้ได้โดยพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขควบคู่ไปด้วยจะเป็นคนที่มีลักษณะตรงข้าม คือยิ่งอยู่ในโลกนานไปก็ยิ่งเป็นคนที่สุขได้ง่ายขึ้นถ้าเป็นคนที่สุขได้ง่ายขึ้นก็ดีสองชั้นคือเราพัฒนาสองด้านไปพร้อมกันทั้งพัฒนาความสามารถที่จะหาสิ่งเสรบําเรอความสุขด้วยและพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขด้วยผลก็คือเราหาสิ่งมาบําเรอความสุขได้เก่งได้มากด้วยและพร้อมกันนั้น เราก็เป็นคนที่สุขได้ง่ายด้วยเราก็เลยสุขซ้อนทวีคูณส่วนคนที่สูญเสียความสามารถที่จะมีความสุขแม้จะหาสิ่งเสริมเรอความสุขได้มากแต่ความสุขก็เท่าเดิมเรื่อยไปเพราะข้างนอกได้มาหนึ่งแต่ข้างในก็ลดไปหนึ่งเลยเหลือศูนย์เท่าเดิมกระบวนการวิ่งหาความสุขจึงดำเนินไปไม่รู้จักจบสิน้นเพราะความสุขวิ่งหนีเราไปเรื่อย เพราะฉะนั้นจะต้องพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขไว้ด้วยคู่กันถ้าเป็นคนที่สุขได้ง่ายก็เป็นอันว่าสบายอย่างน้อยก็ฝึกตัวเองไว้อย่าให้ความสุขต้องขึ้นกับวัตถุมากเกินไปศิ่งปเป็นตัวอย่างของวิธีฝึกไม่ให้เราสูญเสียอิสรภาพโดยไม่เอาความสุขไปขึ้นต่อวัตถุมากเกินไป แปดวันก็รักษาศีล8ครั้งหนึ่งลองหัดดูสิว่าให้ความสุขของเราไม่ต้องขึ้นกับการบำรุงบำเรอทางกายด้วยวัตถุเริ่มด้วยข้อวิการรโภชนาไม่ต้องบำเรอลิ้นด้วยอาหารอร่อยอยู่เรื่อยไม่คอยตามใจลิ้นกินแค่เที่ยงเพียงเท่าที่ร่างกายต้องการเพื่อให้มีสุขภาพดีแข็งแรงตลอดจนข้ออุจจารยนะไม่บำเรอตัวด้วยการนอน ไม่ต้องนอนบนฟูกลองนอนง่ายๆบนพื้นบนเสื่อธรรมดาลองไม่ดูการบันเทิงสิทุกแปดวันเอาครั้งเดียวจะเป็นการรักษาอิสรภาพของชีวิตไว้และฝึกให้เรามีชีวิตอยู่ดีได้โดยไม่ต้องขึ้นกับวัตถุมากเกินไปพอฝึกได้แล้วต่อมาเราจะพูดถึงวัตถุหรือสิ่งบำรุงความสุขเหล่านั้นว่า มีก็ดีไม่มีก็ดีต่างจากคนที่ไม่พัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขซึ่งจะเอาความสุขไปขึ้นต่อวัตถุถ้าไม่มีวัตถุเหล่านั้นเสพแล้วอยู่ไม่ได้ทุรนทุรายต้องพูดถึงวัตถุหรือสิ่งเสพเหล่านั้นว่าต้องมีจึงจะอยู่ได้ไม่มีอยู่ไม่ได้คนที่เป็นอย่างเนี้ยจะแย่ชีวิตนี้สูญเสียอิสรภาพ คนยิ่งอายุมากขึ้นสถานการณ์ก็ไม่แน่นอนถึงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายเสพความสุขจากสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เช่นลิ้นไม่รับรู้รสกินอาหารก็ไม่อร่อยถ้าไม่ฝึกไว้ความสุขของตัวไปอยู่ที่วัตถุเหล่านั้นที่หมดแล้วและตัวก็เสพมันไม่ได้จิตใจก็ไม่มีความสามารถที่จะมีความสุขด้วยตนเองก็จะลำบากมากทุกมากเพราะฉะนั้น ท่านจริงสอนให้ฝึกไว้รักษาศีลแปดเนี่ยแปดวันครั้งหนึ่งจะได้มีสูญเสียอิสรภาพนี้ไปเพราะฉะนั้นเอาคำว่ามีก็ดีไม่มีก็ได้นิไว้ถามตัวเองเป็นการตรวจสอบอยู่เสมอว่าเราถึงขั้นนี้หรือยังหรือต้องมีจึงจะอยู่ได้ถ้ายังพูดได้ว่ามีก็ดีไม่มีก็ได้ก็เบาใจได้ว่า เรายัางมีอิสรภาพอยู่ต่อไปถ้าเราฝึกเก่งขึ้นไปอีกอาจจะมาถึงขั้นที่พูดได้ในบางเรื่องว่ามีก็ได้ไม่มีก็ดีถ้าได้อย่างนี้ก็ยิ่งดีขึ้นไปอีกคนที่พูดได้อย่างนี้จะต้องมีความรู้สึกว่าของพวกนี้เกะ ก, กะเราอยู่ของเราง่ายๆดีแล้วมีก็ได้ไม่มีก็ดี ไม่มีเราก็สบายชีวิตเป็นอิสระโปร่งเบาความสุขเริ่มไม่ขึ้นต่อวัตถุอามิตรสิ่งเสพภายนอกความสุขเริ่มไม่ต้องหาความสุขที่ต้องหาแสดงว่าเราขาดคือยังไม่มีความสุขนั้นเราหาได้ทีเสพทีก็มีสุขทีแต่ระหว่างนั้นต้องอยู่ด้วยการรออยู่ด้วยความหวังบางทีก็ถึงกับทุรนทุรายกระวนกระวาย เพราะฉะนั้นจะต้องทำตัวให้มีความสุขได้ตนเองสำรองไว้ให้ได้ด้วยวิธีฝึกรักษาอิสรภาพของชีวิตและรักษาความสามารถที่จะมีความสุขไว้ขั้นที่สองพอเจริญคุณธรรมเช่นมีเมตตากรุณามีศรัทธาเราก็มีความสุขเพิ่มขึ้นอีกประเภทหนึ่ง แต่ก่อนนี้ชีวิตเคยต้องได้วัตถุมาเสพต้องได้ต้องเอาเมื่อได้จึงจะมีความสุขถ้าให้คือเสียก็ไม่มีความสุขแต่คราวนี้คุณธรรมทําให้ใจเราเปลี่ยนไปเหมือนพ่อแม่ที่มีความสุขเมื่อให้แก่ลูกเพราะรักลูกความรักคือเมตตาทำให้อยากให้ลูกมีความสุขพอให้แก่ลูกแล้วเห็นลูกมีความสุขตัวเองก็มีความสุข เมื่อพัฒนาเมตตากรุณาขยายออกไปถึงใครให้แก่คนนั้นก็ทำให้ตัวเองมีความสุขศรัทธาในพระศาสนาในการทำความดีและในการบำเพ็ญประโยชน์เป็นต้นก็เช่นเดียวกันเมื่อให้ด้วยศรัทธาก็มีความสุขจากการให้นั้นดังนั้นคุณธรรมที่พัฒนาขึ้นมาในใจเช่นเมตตากรุณาศรัทธาจึงทาให้เรามีความสุขจากการให การให้กลายเป็นความสุขขั้นที่สความสุขเกิดจากการดำเนินชีวิตถูกต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงของธรรมชาติไม่หลงอยู่ในโลกของสมมติที่ผ่านมานั้นเราอยู่ในโลกของสมมติมากและบางทีเราก็หลงไปกับความสุขในโลกของสมมตินั้น แล้วก็ถูกสมมุติล่อหลอกเอาอยู่ด้วยความหวังสุขจากสมบัติที่ไม่จริงจังยั่งยืนและพาให้ตัวแปลกแยกจากความจริงของธรรมชาติและขาดความสุขที่พึงได้จากความเป็นจริงในธรรมชาติเหมือนคนทำสวนที่มัวหวังความสุขจากเงินเดือนเลยมองข้ามผลที่แท้จริงตามธรรมชาติจากการทางานของตัวคือความเจริญงอกงามของต้นไม้ทาให้ทางานด้วยความฝืนใจเป็นทุกข์ ความสุขอยู่ที่การได้เงินเดือนอย่างเดียวได้แต่รอความสุขที่อยู่ข้างหน้าแต่พอใจมาอยู่กับความเป็นจริงของธรรมชาติอยากเห็นผลที่แท้จริงตามธรรมชาติของการทํางานของตนคืออยากเห็นต้นไม้เจริญงอกงามหายหลงสมมุติก็มีความสุขในการทําสวนและได้ความสุขจากการชื่นชมความเจริญงอกงามของต้นไม้อยู่ตลอดเวลาดังนั้น คนที่ปรับชีวิตได้เข้าถึงความจริงของธรรมชาติจึงสามารถหาความสุขจากการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามความเป็นจริงของธรรมชาติได้เสมอพอปัญญามาบรรจบให้วางใจถูกชีวิตและความสุขก็ถึงความสมบูรณ์ ขั้นที่สี่ความสุขจากความสามารถปรุงแต่งคนเราเนี่ยมีความสามารถในการปรุงแต่งซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของมนุษย์ปรุงแต่งทุกข์ก็ได้ปรุงแต่งสุขก็ได้โดยเฉพาะที่เห็นเด่นชัดก็คือปรุงแต่งความคิดมาสร้างสารรค์สิ่งประดิษฐ์จนมีเทคโนโลยีต่างๆมากมายที่สำคัญก็คือในใจของเราเอง เรามักจะใช้ความสามารถในทางที่เป็นผลร้ายแก่นตนเองแทนที่จะปรุงแต่งความสุขเรามักจะปรุงแต่งทุกคือเก็บเอาอารมณ์ที่ไม่ดีที่ขัดใจขัดหูขัดตาเอามาครุ่นคิดให้ไม่สบายใจขุนมัวเศร้าหมองโดยเฉพาะท่านที่สูงอายุเนี่ยต้องระวังมากใจคอยจะเก็บอารมณ์ที่กระทบกระเทือนไม่สบายแล้วก็มาปรุงแต่งให้เกิดความกลุมใจว้าเหเงา เรียกว่าใช้ความสามารถไม่เป็นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรารู้จักใช้ความสามารถในการปรุงแต่งแทนที่จะปรุงทุกก็ปรุงแต่งสุขเก็บเอาแต่อารมณ์ที่ดีมาปรุงแต่งใจให้สบายแม้แต่หายใจถ้ายังให้ปรุงแต่งความสุขไปด้วยลองฝึกดูก็ได้เวลาหายใจเข้าก็ทำใจให้เบิกบานเวลาหายใจออก ก็ทำใจให้โปร่งเบาท่านสอนไว้ว่าสภาพจิตห้าอย่างเนี่ยควรปรุงแต่งให้มีในใจอยู่เสมอคือหนึ่งปราโมทความร่าเริงเบิกบานใจ 2. ปีติความอิ่มใจ 3. ปัมปัทธิความสงบเย็ยนผ่อนคลายกายใจไม่เครียด 4. ความสุขความโปร่งโล่งใจคล่องใจสะดวกใจ ไม่มีอะไรมาบีบคั้นหรือติดขัดขับข้องและห้าสมาธิภาวะที่จิตอยู่กับสิ่งที่ต้องการได้ตามต้องการไม่มีอะไรมารบกวนจิตอยู่ตัวของมันขอย้ำว่าห้าตัวเนี่ยสร้างไว้ประจําใจให้ได้เป็นสภาพจิตที่ดีมากผู้ที่จเจริญในธรรม จะมีคุณสมบัติของจิตใจห้าประการนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่า ต, ตัตโตปาโมชภะหูโลทุกขัดสันตังกริสติแปลว่าภิกษุผู้ปฏิบัติถูกต้องแล้วมากด้วยปาโมดมีจิตใจ ร, ร่าเริงเบิกบานอยู่เสมอจะทำทุกข์ให้หมดสิ้นไปท่านพูดไว้ถึงอย่างนี้ฉะนั้นท่านพูดจ ะ, กะเกษียณอายุนั้น ถึงเวลาแล้วควรจะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ถือเป็นโอกาสดีมาปรุงแต่งใจแต่ก่อนนี้ปรุงแต่งแต่ทุกทำให้ใจเครียดขุ่นมัวเศร้ามองตอนนี้ปรุงแต่งใจให้มีธรรมะห้าอย่างนี้คือราโมดมีความร่าเริงเบิกบานใจปีติความอิ่มใจปัตธิความผ่อนคลายสงบเย็นกายใจสุข โล่งโปร่งใจสมาธิสงบใจตั้งมั่นไม่มีอะไรมารบกวนอยู่ตัวสบายเลยทำใจให้ได้อย่างนี้อยู่เสมอท่องไว้เลยห้าตัวเนี่ยคือปราโมทปิติปสัสสธิสุขสมาธิพระพุทธเจ้าประทานไว้แล้วทำไมเราไม่เอามาใช้เนี่ยละความสามารถในการปรุงแต่งจิตเอามาใช้สบายแน่ และก็เจริญงอกงามในธรรมด้วยโดยเฉพาะท่านผู้สูงอายุนั้นก็เป็นธรรมดาว่าจะต้องมีเวลาพักและเวลาที่ว่างจากกิจกรรมมากกว่าคนหนุ่มสาวและคนวัยทำงานที่เขายังมีกำลังร่างกายแข็งแรงดีว่างจากงานเขาก็ไปเล่นไปทำกิจกรร ม, มอื่นๆได้มากแต่ท่านที่สูงอายุนอกจากออกกำลังบริหารร่างกายบ้างแล้วก็ต้องการเวลาพักผ่อนมากหน่อย จึงมีเวลาว่างซึ่งไม่ควรปล่อยให้กายว่างแต่ใจวุ่นเพราะฉะนั้นในเวลาที่ว่างไม่มีอะไรจะทำแล้วก็ยังไม่พักผ่อนนอนหลับหรือนอนแล้วก่อนจะหลับก็พักผ่อนจิตให้ใจสบายขอเสนอวิธีปฏิบัติง่า ย, ายไว้อย่างหนึ่งว่าในเวลาที่ว่างอย่างนั้นให้สูดลมหายใจเข้าและหายใจออกอย่างสบายสบายสม่าเสมอ ให้ใจอยู่กับลมหายใจที่เข้าและออกนั้นพร้อมกันนั้นก็พูดในใจไปด้วยตามจังหวะลมหายใจเข้าและออกว่าจิตเบิกบานหายใจเข้าจิตโล่งเบาหายใจออกในเวลาที่พูดในใจอย่างไรก็ทำใจให้เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยหรืออาจจะเปลี่ยนเป็นสำนวนใหม่ก็ได้ว่าหายใจเข้าสูดเอาความสดชื่น หายใจออกปอกจิตให้สดใสถูกกับตัวแบบไหนก็เลือกเอาแบบนั้นหายใจพร้อมกับทำไปด้วยอย่างเนี้ยตามแต่จะมีเวลาหรือพอใจก็จะได้การพักผ่อนที่เสริมพลังทั้งร่างกายและจิตใจชีวิตจะมีความหมายมีคุณค่าและมีความสุขอยู่เรื่อยไปขั้นที่ห้า สุดท้ายความสุขเหนือการปรุงแต่งคราวนี้ไม่ต้องปรุงแต่งคืออยู่ด้วยปัญญาที่รู้เท่าทันความจริงของโลกและชีวิตการเข้าถึงความจริงด้วยปัญญาเห็นแจ้งทำให้วางจิตวางใจลงตัวสนิทสบายกับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่อย่างผู้เจนจบชีวิต สภาพจิตนี้ถ้าจะเปรียบเทียบได้เหมือนสารถีที่เจนจบการขับรถสารถีผู้ชำนาญในการขับรถนั้นจะขับมาให้นำรถเข้าถนนจะวิ่งด้วยความเร็วพอดีตอนแรกต้องใช้ความพยายามใช้แสดึงบังเหียนอยู่พักหนึ่งแต่พอรถมา้านั้นวิ่งเข้าที่เข้าทางดีความเร็วพอดีอยู่ตัวแล้วสารถีผู้เจนจบผู้ชำนาญล้วนั้นจะนั่งสงบสบายเลย แต่ตลอดเวลานั้นเขามีปัญญารู้พร้อมอยู่เต็มที่ถ้ามีอะไรผิดพลาดเขาจะแก้ไขได้ทันทีและตลอดเวลานั้นเขาไม่มีความประวันไม่มีความวาดจิตเรียบสนิทไม่เหมือนคนที่ยังไม่ชำนาญจะขับรถเนี่ยใจคอไม่ดีวาดวันใจคอยกังวลโน่นนี่ไม่ลงตัวแต่พอรู้เข้าใจความจริงเจนจบดีด้วยความรู้นี่แหละ จะปรับความรู้สึกให้ลงตัวเป็นสภาพจิตที่เรียบสงบสบายที่สุดคนที่อยู่ในโลกด้วยความรู้เข้าใจโลกและชีวิตตามเป็นจริงจิตเจนจบกับโลกและชีวิตวางจิตลงตัวพอดีทุกอย่างเข้าที่อยู่ตัวสนิทอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นจิตอุเบกขาเป็นจิตที่สบายไม่มีอะไรกวนเลยเรียบสนิท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 จะมองโลกด้วยปัญญาที่รู้ความจริงและด้วยใจที่กว้างขวางรู้สึกเกื้อกูลคนที่พัฒนาความสุขมาถึงขั้นสุดท้ายแล้วนี้เป็นผู้พร้อมที่จะเสวยความสุขทุกอย่างในสีข้อแรกไม่เหมือนคนที่ไม่พัฒนาได้แต่หาความสุขประเภทแรกอย่างเดียวเมื่อหาไม่ได้ก็มีแต่ความทุกข์เต็มที่และในเวลาที่เสพความสุขนั้น จิตใจก็ไม่โปรโ่งไม่โลง่งมีความหวั่นใจหวาดระแวงขุนมัวมีอะไรรบกวนอยู่ในใจสุขไม่เต็มที่แต่พอพัฒนาความสุขขึ้นมายิ่งพัฒนาถึงขั้นสูงขึ้นก็ยิ่งมีโอกาสได้ความสุขเพิ่มขึ้นหลายทางกลายเป็นว่าความสุขมีให้เลือกได้มากมายและจิตที่พัฒนาดีแล้วช่วยให้สวยความสุขทุกอย่างได้เต็มที่โดยที่ในขณะนั้ น, น, น ไม่มีอะไรรบกวนจิตใจให้คุณค้่องมองมัวเป็นอัน่าธรรมะช่วยให้เรารู้จักความสุขในการดำเนินชีวิตมากยิ่งขึ้นไปสู่ความเป็นผู้เต็มเปี่ยมสมบูรณ์จนกระทั่งความสุขเป็นคุณสมบัติของชีวิตอยู่ภายในตัวเองตลอดทุกเวลาไม่ต้องหาไม่ต้องรออีกต่อไปความสุขห้าขั้นเนี่ยความจริงแต่ละข้อต้องอธิบายกันมาก แต่วันนี้พูดไว้พอให้ได้หัวข้อก่อนคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์พอสมควรขออนุโมทนาท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านขอตั้งจิตส่งเสริมกำลังใจขอให้ทุกท่านประสบจตุรพิทพพรชัยมีปีติอิ่มใจอย่างน้อยว่าชีวิตส่วนที่ผ่านมาได้ทำประโยชน์ได้ทำสิ่งที่มีค่าไปแล้วคือว่าได้บรรลุจุดหมายของชีวิตไปแล้วส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้น จึงควรจะตั้งใจว่าเราจะเดินหน้าต่อไปอีกสู่จุดหมายชีวิตที่ควรจะได้ต่อไปเพราะยังมีสิ่งที่จะทําชีวิตให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปอีกไม่ใช่แค่นี้ชีวิตนั้นยังเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นประโยชน์ที่จะทําให้เต็มเปี่ยมได้ยิ่งกว่านี้จึงขอให้ทุกท่านเข้าถึงความสมบูรณ์ของชีวิตนั้นสืบต่อไปและขอให้ทุกท่านมีความร่มเย็นเป็นสุข ในพระธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วกันตลอดการทุกเมื่อ